ชีวิตคารวะาทำให้สภาวะจิตค่อนข้างลุ่มลุ่มดอนดอนสามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวจิตสว่างเดี๋ยวจิตมืดเดี๋ยวจิตตกเดี๋ยวจิตขึ้นบางทีก็ดูทันบางทีก็หายไปครึ่งค่นวันกว่าจะกลับมาทันใหม่แต่อย่างไรฉันก็ยึดราวเกาะไว้แน่นพยายามมีสตินึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อย บางครั้งเป็นอัตโนมัติบางครั้งก็ตกหลุมอากาศฉันดีใจเสมอเมื่อพบว่ายังมีราวเกาะให้ลุกขึ้นจับย Pie ึดเสมอไม่เคยหายไปไหน <Pues S 1> ความจริ ง, market market รงอีกประการหนึ่งที่ฉันพบก็คือถ้าหากองค์แ <benim> ห่งโพชงใดเคยปรากฏมาแล้วก็ไม่ยากที่ปรากฏขึ้นอีก